สิ่งไหนหนักสิ่งนั้นจะนําไปสู่ความไม่สบายเรื่อยๆใช่ไหมสิ่งไหนเบาสิ่งนั้นก็จะนําไปสู่ความสบายได้เรื่อยๆแต่ถ้าหากว่าหนักไปสู่เบาหนักบ้างเบาบ้า ง, บางสบายบ้างไม่สบายบ้างถูกต้องไหมอ่าถูกต้องแล้วเพราะอะไรมันจะชุมรุนเหินหดีสบายมันก็เปลี่ยนเป็นไม่สบาย พอไม่สบายแล้วก็เปลี่ยนไปทางสบายเพราะกฎของธรรมชาติจั ก, กรวาล น, นี้มันมีเคลียสสองอย่างคือเกิดแล้วก็ดับใช่ไหมถ้าเกิดอย่างเดียวถูกต้องไหมไม่ถูกถ้าดับอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าสบายอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าไม่สบายอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าหนักอย่างเดียวถูกต้องไหมถ้าเบาอย่างเดียวถูกต้องไหมอันันก็กดอันเดียวกันหมดเลย แต่ในเมื่อจั ก, กรวาลนี่มันมีกฎข่ายสองอย่างคือเกิดกับดับถ้าเกิดแล้วไม่ดับเกิดปัญหาใช่ไหมอย่างสุขโรคภัยที่มันเกิดแล้วเนี่ยรักษาเพื่ออะไรเพื่อให้มันดับใช่ไหมแต่รักษาแล้วมันไม่ดับเป็นไงเราก็อยู่ไม่ได้อ่าหายใจเข้ามันก็ต้องออกถ้าหายใจเข้าไม่ออกเราก็อยู่ไม่ได้หายใจออกแล้วไม่เข้าที่หายใจเข้ากับหายใจออกอันไหนสบายอันไหนไม่สบาย ทุกคนลองลองพิสูจน์ดูลองหายใจเข้าลึกๆดูก็หายใจออกอันไหนสบายอันไหนไม่สบายได้แล้วใช่ไหมได้คําตอบเลยใช่ไมอันไหนสบายหายใจเข้าสบายหรือหาออกสบายหายใจออกสบายหรือไม่สบายออสบายหายใจเข้าไม่สบายใช่ไหมถ้าหายใจเข้าไปเรื่อยๆเป็นไง ก็หนักเลยแต่ไอคอนรู้สึกว่าหายใจออกสบายเนี่ยถ้ามันสบายอย่างนั้นโดยที่ไม่หายใจเข้าเลยได้ไหมก็ไม่ได้อี ก, ก, อกเห็นไหมคือสบายเกินไปก็อยู่ไม่ได้ทําให้สบายเกินไปก็มีอยู่แบบทุกข์เกินไปก็มีเพราะฉะนั้นของสองอย่างต้องสมดุลกันถ้าสมมุติเข้าสิบวิออกหวิ ก็ไม่สมดุลกันละเอามาทดสอบไปทดสอบมาหายใจเข้าก็าหายใจออกตอนแรกว่าเอ๊ะหายใจเข้ามันน่าจะปกติสองวิหายจออกน่าจะสาวิน่หายใจไปนานๆ ม, มันกลับเหนื่อยไม่เท่ากันตอนแร ก, แรกดูเหมือนดีนะแต่พอมาปรับหายใจเข้าสมวิหายจ อ, อกสามวิเท่ากันนานๆไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมันสมดุลกันเพราะนั่นกฎของความสมดุล น, นั้มันต้องหาไปเจอสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ก่อนะสิ่งห ย, ยาบ เราจะไปหาด้วยว่าเในกายในใจในจากเห็นจากพิสูจน์สิ่งที่เห็นเห็นนี่ไปเสียก่อน<ม>ตามหลักวิทยาศาสตร์แต่เราไปพิสูจน์ในสิ่งที่พิสูจน์เรามองไม่เห็นนะ่ะเขาว่ามาอย่างเนี้ยเราก็ไปพิสูจน์ตามพิสูจน์เท่าไรมันก็ไม่เห็นเพราะเรายังไม่ได้เห็นไปตามลาดับนะเมื่อเราอ่านหนังสือคนที่รูหนังสือเขาเขียนมา แต่เราก็ไปอ่านไม่ออกเพราะเรายังไม่ได้เรียนก็ไข่ขอไข่ยังไม่ได้เรียนเลยอ่านเท่าไหร่ก็ไม่ออกนะจนกว่าเราจะไปอ่านอย่างเขาเรียนอย่างเขาล่ะทำแบบเขาตั้งแต่แรกเลยมันก็อ่านออกนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ในขั้นตอนเบื้องต้นสำหรับผู้เคยปฏิบัติแล้วก็ถือว่าเป็นการทบทวนให้ชัดเจนขึ้นสิ่งที่ยังไม่ชัด ก็จะชัดทิ้งที่ยังไม่เคยได้ฟังได้ยินได้ฟังก็จะได้ยินได้ฟังสิ่งได้ยินได้ฟังแล้วก็จะชัดเจนมากขึ้นเนะมื่อชัดเจนคือความแจ่มใสความลงปลงบอสบายก็ปรากฏแล้วก็ทําลายความคิดเห็นที่ไม่ถูกความคิดเห็นก็ตรงอย่างนี้นะสำหรับผู้เก่านะแต่สําหรับผู้ใหม่ก็ต้องมีศรัทธามีความตั้งใจหมาย้ว่ามีความรักนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ คือเรารักอย่างอื่นเรารักได้นะรักลูกรักหลานรักบ้านรักช่องรักพี่รักน้องรักพ่อรักแม่แต่สิ่งเหล่านั้นที่เรารักเนี่ยวันหนึ่งก็เปลี่ยนเป็นไม่รักก็มีแล้วสิ่งที่เรารักวันหนึ่งมันก็จากเราไปก็มีแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะต้องรักจนกระทั่งว่ามันก็อยู่พร้อมกับเราตลอดเวลาอันนั้นคือคือใครใครที่เรารักได้ตลอดเวลา ตัวเราเองนัตติอัตตะสมังเตมังไม่มีความรักใดในโลกเสมอโดยรักตัวเองแต่เราบอกว่ารักคนนั้นคนนี้มันเป็นธรรมเนียมประเพณีเป็นความรู้สึกแต่ที่แท้จริงจื้อลึกแล้วเนี่ยเราก็รักตัวเองเมื่อ ร, รักตัวเองเราจะต้องสิ่งให้ดีให้สิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคืออะไรไม่ใช่ความดีแต่เป็นความพอดีนะ เป็นความพอดีที่ถูกต้องความพอดีรับตั้งแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆกินอาหารมากเกินไปกินอร่อยามากเกินไปก็ไม่พอดีเม่ออาหารนี่ไม่อร่อยกินน้อยเกินไปหรือไม่กินก็ไม่พอดีนะตั้งแต่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์มกระทบตาหูจมกูกลิ้นกายใจให้พอดีให้หมดตรงที่ทำให้มันพอดีให้หมดเนี่ยจะไปทาพอดีแต่ละอย่างละอย่างละอย่างเนี่ยมันยากมาก เราไม่รู้เอาอะไรมาวัดมาเป็นมาตรฐานวัดมันว่มามันพอดีดังนั้นเราจะไปทําที่ไหนให้พอดีมันจรงนิงๆพอดีทั้งหมดในที่สุดพระเจ้าท่านก็โพดว่าทําใจให้พอดีนะถ้าจําใจให้มันสบายเกินไปท่านบอกว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทำให้ใจไม่สบายเกินไปก็เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ท่านบอกให้ละทั้งสองทางนั้นเสียทําให้ตัวเองสบายเกินไปสนุกเกินไป พอใจมากเกินไปนะเวลามันตีกลับมันก็สุดตรงไปเลยนะตัวนี้เขาเรียกว่ากาสมสุขันนิการุโยคคือมันยั่งด้วยนะมันเกินพอดีเมื่อมันเกินพอดีแล้วเราก็จะได้รับผลตรงกันข้ามะฉะนั้นทั้งตัวที่สบายเกินไป คนที่สบายเกินไปแล้วก็ไม่สบายเกินไปก็ทำให้เกิดความไม่พอดีผลพวงออกมาก็คือทำให้ไม่สบายนะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เอามาว่าเราก็ต้องมาทำกันคนที่ทำไปแล้วมันไม่ถูกก็ต้องมาทำกันใหม่นะมาทำกันใหม่เริ่มต้นใหม่เสมอถ้าเราเป็นนักปฏิบัติทำเราคิดว่าเราเป็นคนเก่าเคยปฏิบัติมานานแล้วอันนี้ไม่ถูกนะ ในแง่เรื่องอื่นนั่นถูกนะในแง่ของสมมุติในแง่วัตถุเนี่ยเริ่มต้นมาถึงนี้แล้วก็ต่อไปเลยเริ่มต้นมาถึงนี้ก็ต่อต่อต่ อ, ต, อต่อยอดไปเลยแต่สําหรับในการธรรมชาติที่เป็นธรรมชาติของชีวิตเนี่ยมันจะพูดอย่างนั้นไม่ได้เช่นเราบอกว่าเออเราหายใจมาหลายปีเนี่ยเขาหยุดหายใจสักครึ่ชั่วโมงใชหายใจมาหลายสิปีแล้วพูดได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นมาเริ่มต้นใหม่เสมอใช่ไหมเริ่มต้นหายใจใหม่เสมอธรรมชาติของจิตคือกันเหมือนกันนะจะต้องเริ่มต้นใหม่เสมอเหมือนกระลมหายใจมันเป็นธรรมชาติอย่างนั้นนะเพรา ะ, ะนั้นเราจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยเบื้องต้นให้ทําความเพอใจให้ถูกต้องที่ฉันใช้คําว่าสมาธิธอ่าเป็นองค์ของปัญญาในภาคปฏิบัติ ในภาคปฏิบัติเอาปัญญาเริ่มต้นนะคือต้องหาความถูกต้องให้เจอนะสมาธิถ้าสมมุติว่าเราเห็นยังไม่ถูกต้ององค์มรรคทั้งหมดตั้งแต่สมาสังกปะถึงสมายางสมาวิบุตรก็ผิดไปหมดเหมือนกันแต่พอมันถูกต้องตั้งแต่แรก เพราะนั้นสมมติทิมันก็หัวขบวนถ้ามันหันไปทางทิศทางที่ถูกแล้วเนี่ยโบกี้ต่างๆมันก็ไปตามกันหมดดังนั้นในมรรคมีองค์8ปพุทธิย่าตรัสยืนยันไว้มรรคเดียวว่าปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วเนี่ยมันจะพ้นจากทุกทั้งปวงนั่นใช้คำว่าสมมติทิสมาธานาสะสะพัทุกขาอุป จ, จะคุงถ้าเราทําความคิดเห็นของเราให้ถูกต้องแล้วเราจะพ้นทุกทั้งหม ด, ท, หมดทั้งปวง ที่มีอยู่ที่เราก็มาดูนิยามของความคิดเห็นที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่แต่ละคนก็มีความคิดเห็นมีทิฏฐิมีความเห็นของแต่ละคนคนหนึ่งเห็นอย่างหนึ่งคนหนึ่งทีนี้เราจะเอาอะไรเป็นมาตรฐานกลางว่ามันถูกต้องเป็นกลางเนี่ยพระพุทธเจ้าไดนให้นิยามเอาไว้คืออริยสัจสีนั่นเองเป็นนิยามาของคําว่าสัมมาทิฏฐินะ ว่าสิ่งที่ถูกต้องได้หนึ่งให้เข้าใจว่าชีวิตของเรานี่คือเป็นที่ตั้งของปัญหาและความทุกข์ตลอดเวลาทีเดียวนะอันที่หนึ่งให้เข้าใจอย่างเนี้ยว่าความทุกข์และปัญหานั้นเราจะรู้มันหรือไม่รู้มันมันเกิดแต่ลอดเวลาเช่นเรานั่งลงไปปับเนี่ยเราจะรู้สึกตัวหรือไม่รู้สึกตัวกันเราก็จะรู้สึกไม่สบายเหมือนกันทุกคนน่ะหรือยืนานานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงโดยไม่ขยับไปเยือนเลยเนะี่ย ทุกคนก็เหมือนกันคือมันก็จะรู้สึกไม่สบายนีมันเปมันมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะหรือเราไปอยู่ในอากาศที่ร้อนยิ่งนานก็ยิ่งอบอ้าวยิ่งเหงื่อไหลไข้พังก็ไม่สบายนะหรือไปอยู่อากาศที่หนาวเกินไปยิ่งนานยิ่งหดยิ่งหูยิ่งหิวยิ่งหอบยิ่งรัดยิ่งตึงก็ไม่สบายมันมันเป็นของมันเอง ดังนั้นเองเมื่อรู้ว่าให้เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยเป็นที่ตั้งของความทุกข์ท่านก็ให้ศึกษาต่อไปว่าทุกข์มันต้องมีที่มามันมาจากอะไรมาจากสาเหตุอะไรบ้างความไม่สบายทางกายเนี่ยมาจากสาเหตุ4ี่ประการหนึ่งการกระทำที่ไม่พอ ด, ดีทำมากเกินไปเช่นทำงานมากเกินไปนะสมมุติว่าเราเออกกาลังกาย ความพอดีเราอยู่ที่10ครั้งถ้าเราทำสักหิครั้ง60ครั้งเนี่ยเราก็ไม่สบายละมันไม่พอดีนะเรียวกว่ากรรมสองจิตคือความคิดที่คิดมากเกินไปพอคิดคิดคิดคิดแล้วจิตของเราก็จะเครียดเกร็งตึงปวดหัวนะมันก็เกิดความไม่สบายอันที่สามดินฟ้าอากาศนะถ้าห่างอากาศหนาวเกินไปร้อนเกินไปอบอ้าวเกินไป เราจะรู้ตัวไม่รู้ตัวก็ตามก็ร้อนเหมือนกันหมดนะอันที่สี่คืออาหารที่บริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องและมากเกินไปก็ทําทให้เราไม่สบายทั้งสี่อย่างนี้เป็นที่มาของความไม่สบายของกายหรือไม่สบายของรูปอันนี้สมมติเรานั่งเนี่ยนั่งนี้เป็นอะไรเป็นเป็นกรรมใช่ไหมคือกายกรรมถ้านั่งนานเกินไป มันก็ไม่สบายเห็นไหมกรรมจิตอุตุอาหารสี่อย่างนี้เป็นที่มาของความไม่สบายกายเพราะฉะนั้นถ้าปรับสี่อย่างนี้ให้ถูกต้องและพอดีความสบายกายก็เกิดแตลอเวลานะปรับเรื่องสีเรื่องเนี่ยกรรมคือการกระทำํำนะจิตความคิดที่ถูกต้องการกระทําที่ถูกต้องอากาศที่ถูกต้องอาหารที่ถูกต้องคําว่าถูกต้องคือ พอดีมัชฌิมาปฏิบัติธมเพราะนั้นท่านาใช้คําว่าสัมมาที่แปลว่าถูกต้องนะความคิดเห็นที่ถูกต้องหนึ่งให้รู้ว่าร่างการนี้เป็นที่ตั้งของปัญหาและความทุกข์สองเราต้องรู้จักว่ามันเกิดจากอะไรรู้ว่าความทุกข์และปัญหาของกายเกิดจากเหตุปัจจัยสี่อย่างนี้จะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ตามนะอันที่สนะอันที่สามนะ ทุกที่หาเหตุมันเจอแล้วเนี่ยมันแก้ไขได้มันแก้ไขได้ น, ไไดนะอันที่สี่ต้องมีวิธีแก้ไขนี่คือเห็นอย่างเนี้ยว่าเราจะต้องเห็นว่าเราเป็นตัวที่เป็นที่ตั้งของความทุกข์และปัญหาเมื่อเราไปมีอยู่กับคนอื่นเราก็บวกความทุกข์ปัญหาเข้ามาเรียกว่าขัน เราเนี่มีขี่ขันห้าขันใช่ไหมพอเรามีอีกคนเกิดขึ้นเราก็จะมีเท่าไหร่บริหารจากห้าขันเป็นสิบขันสิบกองเราเนี่มีไฟห้ากองอยู่แล้วใช่ไหมพอเราไปมีอีกคนเข้ามาก็เพิ่มขึ้นอีกหกองพอเกิดอีกคนหนึ่งก็เป็นอีกห้ากองพอเกิดอีกคนหนึ่งก็เป็นห้ากองเนั้นโบราณเขาจึงเรียกว่าเวลามีการไปอยู่ด้วยกันแต่งานเขาเรียกว่าต้องแห่ขันอะไรขันหมาด แต่ความจริงเขาเเจ้าแห่ขันมากนะแต่เขากลัวว่าหนุ่มสาวมันจะตกใจก็เลยเปลี่ยนมากไปเป็นหมากซะแ้เอาเงินเอาทองไปใส่ในขันมากแต่ความจริงขันมากแห่ขันมากเวลาแห่ขันมากมันได้ไปคนเดียวใช่ไหมมันก็ไปหลายคนแหขันมากเราพระพุทธเจ้าที่จัดว่าสังขาราปรมาทุกข์าการที่มีขันมากเนี่ยมันเป็นทุกขอย่างอะอย่างมาก ประมาททุกข์ขาทุกอย่างยิ่งเนี่ยทุกไม่มีที่ไว้ที่วางเขาเรียกว่าเนี่ยไอตอนที่มันไม่มีปัญหาปัญหามัลลุตัวมันก็เรื่อว่าเออมันอยู่ได้มันไม่ทุกแต่ว่าเนื่องจากชีวิตมันเป็นที่ตั้งของปัญหามันต้องเกิดแล้วปัญหามันก็ดับทีนี้มันจะระหว่างเกิดกับดับเนี่ยมันเท่ากันไหมปัญหาที่เกิดเราแก้ไขมันมันเท่ากันไหมถ้ามันไม่เท่ากัน ที่เหลือมันก็คือปัญหาที่เราจะต้องรับเรียกว่าเป็นวิวากรรมนะดังนั้นเองการที่เราจะไปเรียนรู้รายละเอียดเรื่องเหล่าเนี้ยมันก็จะมาเริ่มต้นที่เบื้องต้นที่รูปนามในวิธีการของพ่อเทียนนะรูปกับนามเรียกว่าถ้าทําให้มันพอดีว่ารูปธรรมนามธรรมถ้าทําให้ไม่พอดีก็ว่ารูปทุกนามทุกนะเมื่อกี้เราพูดถึงว่า ความทุกข์ของรูปหรือของกายเนี่ยมันมีที่มาอยู่สีอย่างคือกรรมจิตอุตุอาหารวิธีการก็คือทำให้กายนี้พอดีความทุกข์ของกายนี้ก็จะบ ำ, บ, ำบัดท่านใช้คำว่าบำบัดนะในกายเนี่ยใช้เชิดอปีท่านไม่ใช้คำว่าตัดไปมันตัดไม่ได้เดี๋ยวมันก็ามาเดี๋ยวมันก็ามาแต่พอมาถึงเรื่องนามนะพอมาถึงเรื่องนามนาม สำหรับผู้ใหม่บม่ได้หมายถึงชื่อนะนามสําหรับผู้ใหม่ไ่ได้นามสาหรับคนที่ภาษากรรมฐานมันหมายถึงความรู้สึกกายรู้สึกใจมันหมายถึงความหมายรู้กายหมายรู้ใจมันหมายถึงความปรุงแต่งกายปรุงแต่งใจมันหมายถึงความรับรู้กายรับรู้ใจทั้งสี่อย่างนี้เขาเรียกว่านามมีการ รู้สึกมีการหมายรู้มีการปรับรู้ปรุงรู้แล้วก็มีการรับรู้ทั้งเสียตามพยากรรมฐานว่าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทีนี้ในส่วนที่เป็นนามมันมีสองลักษณะรูปก็มีสองลักษณะคือรูปนามกับรูปเฉยๆนามก็เช่นเดียวกันมีสองอย่างคือนามกับนามมารูป ลึมสับสนไหมรูปมีสองอย่างคือรูปนามคือมีรูปนี้อย่างสมมติวัตถุสิ่งเนี่ยมันมีรูปถามว่ามีนามไหมมันวางอย่างนี้มีนามไหมแต่พอมาหยิบยกขึ้นมาปั๊บมันมีนามไหมแต่วัตถุนี้ไม่มีนามแต่นามคือมันถูกยกขึ้นอาศัยนามของเรามันก็ถูกเรียกว่ารูปนามถ้าวางปั๊บมันเกิดอะไรแต่รูป เราก็ดึงนามของเรามาทีนี้นามเนี่ยถ้ามันเป็นนามรูปก็คือมันเป็นความคิดขึ้นมาความที่ตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสได้เรียกว่ารูปนามแต่ถ้าสัมผัสได้ทางเดียวคือใจเรียกว่านามรูปเช่นเราคิดเนี่ยความคิดในตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้นะแต่ใจสัมผัสได้ความคิดมันจะ สร้างอะไรขึ้นมาก่อนสร้างรูปขึ้นมาก่อนใช่ไหมสร้างรูปรูปที่จิตสร้างขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่านามมารูปแต่รูปที่กายสร้างขึ้นเนี่ยเขาเรียกว่ารูปนามเบื้องต้นเข้าใจอยี้กันนะรูปทมนามทำรูปที่ใจสร้างขึ้นหรือนามสร้างขึ้นเขาเรียกว่านามมารูปมันพร้อมที่จะเป็นไปในเรื่องของสังขาร อายต น, นะผัสสะเวทนาตัณหาไปปรับเครื่องให้มันพอดีนะเนี่ยวุฒิวิทย์มันไม่เข้าท่านะ่ะนะคนไหนปรับเป็นช่ยปรับนะเพราะฉะนั้นในตัวเนี้ยถ้า ร, ร, รู้ทั้งสองอย่างเพื่ออะไรเพื่อปรับให้มันพอดีปรับให้มันเป็นธรรมถ้าเราปรับไม่พอดีมันก็เป็นทุกขจากรูปธรรมนามธรรมก็เปลี่ยนเป็นรูปทุกนามทุกนะทีนี้มาดูนามบ้างนามรูป แต่ถ้านามล้วนๆเนี่ยกับรูปร้วนๆเขาเรียกว่าปรมัติแต่ถ้ามันแปลงเป็นรูปนามหรือนามรูปเขาเรียกเป็นสมมุติอ่าค่อยเรียนรู้ไปนะภาษาใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วเพราะถ้าหากว่าเราคิดขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีตัวตั้งกันนะแต่บางอย่างมันเป็นเพียงความรู้สึกเช่นรู้สึกหนาวถามว่ารู้สึกหนาวเนี่ย รู้สึกร้อนเนี่ยมันมีรูปไหมรูปเป็นยังไงรูปของความหนาวเป็นไงเคยเห็นรูปหนาวไหมแต่สัมผัสได้ใช่ไหมลักษณะอย่างเงี้ยรูปที่เป็นปรากฏเรียกว่าสัญญาเเรียกว่าสังขารแต่รูปที่มันไม่ปรากฏเราเรียกว่าสัญญาเออตามให้ดีนะความรู้สึกเป็นกลางกางเนี่ยคะ่ะแล้วก็เวทนาใช่ไหม อย่างนั่งเนี่ยเวทนาหนักเรียกว่าทุกขเวทานาพอเราปรับไปเบาเราเรียกว่าสุขเวทนาแต่มาถูกบัญญัติว่าสุขว่าทุกเนี่ยมันเป็นรูปนามหรือนามรูปความรู้สึกทางกายเรียกว่ารูปนามเพราะนั้นเราดูความรู้สึกหนักเบาเรียกว่าเรารูรูปนามแต่เราเกิดเผลอยังไม่ได้สติเท่าที่ควร นั่งนานไปรู้สึกไม่ชอบใจไอ้ไอไอความรู้สึกหนักอันนี้เลยพอเปลี่ยนไปรู้สึกพอใจกับความรู้สึกอันนี้พอเป็นความพอใจไม่พอใจนี้เป็นรูปนามหรือนามลูกอ่าเป็นนามลูกล้วแต่ถ้าหากว่ามันรู้สึกหนักเบาแต่ว่าเราไม่ไม่รู้สึกว่าชอบหรือไม่ชอบมันรู้สึกเฉยเฉยซื่อเฉยเฉยเนี่ยลักษณะนี้ก็เป็นรูปนามนะรูปนามจึงเป็นที่ตั้งของเวทนาทางกาย พ่อเวทนามีสองลักษณะลักษณะเวทนาทางกายหรือว่ารูปนามแต่เป็นเวทนาทางจิตเราเรียกว่านามรูปมีภาษาใหม่ๆคนใหม่ตามทันนะเรียนรู้ให้ทันกันเลยกันนะเพราะว่ามามาร่วมกับคนเก่าคนเก่ามีเปอร์เซ็นต์เยอะเลยนะพราะนั้นเราจะเห็นว่ามันก็จําเป็นต้องรู้อะ่ะบางคนเขาก็บอกว่าหลวงพ่อธรรมานี่ติดปริยัติถ้าสมมุติเราจะพูดถึงยา แล้วไม่พูดถึงไอ้ที่ไปที่มาพวกมันเนี่ยยานั้นเราก็ปรุงไม่ถูกเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าปริยัติปฏิบัติแต่แล้ก็รู้เอาไว้ไม่ยากแก่การเข้าใจเอาว่าความรู้สึกเราจะบอกความรู้สึกตัวความรู้สึกกายความรู้สึกใจความรู้สึกชอบไม่ชอบเพราะฉะนั้นในวิธีการหลวงเทีนให้รู้รูปนามเบื้องต้นไปหาอาจารย์กรรมฐานที่ไหนที่ไหนก็ คุณจะไปวิปัสนาได้คุณต้องรู้และเข้าใจรูปนามตามความเป็นจริงแต่ไม่ใช่รูปนามตามความเป็นจำความเป็นจำก็ความเป็นจริงต่างกันใช่ไม้มความเป็นจำบอกเออรูปนามคือกายกับใจความรู้สึกกับกายหรือว่ารูปนามแล้วก็จำได้ละแต่ว่าพอเราไปทำเรื่องอื่นความรู้สึกว่ารูปนามยังอยู่ในใจเราไหมมันหลุดไปละเพราะมันไม่เพราะมันจา ความจำเป็นสัญญาใช่ไหมแต่ความจริงเป็นอะไรความจริงเป็นอะไรเป็นปัญญาความจริงเป็นญานปัญญาแต่ความจำเป็นสัญญาสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงแต่ความจริงเที่ยงหรือไม่เที่ยงเที่ยงเขาเรียกอมาตะธรรมไง <c oughs> มันไม่ตายนะ ม, นมันอมาตะธรรมทีนี้เราก็สัญญาเราก็จำได้ พอเราไปเหิอไปหยิบนะไอ้ที่เรารู้ว่ารูปนามคิดมันมันลืมไปละ <c oughs> มันจะลืมไปเลยแต่พอเรารู้เห็นและเข้าใจรูปนามจริงๆปั๊บพอเราเอื้อมมือไปหยิบมันก็ยังรู้ได้อยู่ที่มือหยิบทีนี้เราจะตัดสินได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นความจริงอันไหนเป็นความจำโดยสัญชาตญาณของเราทุกคนเนี่ยจิตของเรามันจะไปกับความรู้สึกเคยชิน นะแ0ดสซนะเป็นเป็นความเคยชินเพราะเราอยู่กับความเคยชินนี่มานับชาติไม่ท่วนแล้วถ้าเราไม่สามารถเปลี่ยนความเคยชินเดิมๆของเราให้เป็นความชินใหม่เนี่ยมันเราก็จะเวียนว่ายแต่เกิดอยู่นี้แหละมันจะทําหน้าที่ชอบไม่ชอบสูตรขั้วของมันอยู่เนี่ยนะถ้าชอบมันก็ไปอยู่กับทางนี้ซะถ้าไม่ชอบจิตก็ไปอยู่ทางนี้ซะ แต่พอเรามาทําวิปัสนาเนี่ยเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงความรู้สึกเคยชินที่มันไปอยู่กับความชอบไม่ชอบอร่อยไม่อร่อยสบายไม่สบายถูกใจไม่ถูกใจเนี่ยมันเปลี่ยนไปสองข้างเนี่ยพอพระพุทธเจ้าท่านเห็นว่าโอไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายใจเกิดเพราะจิตสะเวียนสวิงไปแล้วสวิงมาระหว่างสองขั้วนี่ใช่ไมาขั้วบวกแล้วขั้วลบขั้บวกขัลบขัร้อนขั้วเย็น ในบรรยากาศที่เราเห็นเนี่ยมันเกิดการการลมปั่นปวดคือการหมุนเวียนของอากาศใช่ไหมในมันในอากาศกัที่เป็นรูปธรรมกับรูปธรรมการเวียนว่ายไดเกิดของร่างกายของเราจรีเจ้ของเรามันก็มาหลักการเดียวกันนั่นแหละเพราะเราก็ประกอบด้วยอะไรธาตุสี่ใช่ไหมดินน้ํำลมไฟดินน้ํำลมไฟภายนอกมีการแปรปรนเปลี่ยนแปลงตามขั้วบวกขั้วลบ ร่างกายของเราก็มีการเปลี่ยนแปลงแปรปรวนทำข้อบวกข้อลบในกายในใจแต่ข้อบวกข้อลบเรามาเรียกว่าเกิดกระดับอย่างสมมุติว่าไฟที่สว่างเนี่ยมันมีสองขั้วข้อบวกข้อลบแต่หลักการ led ขีงพ่อไมดูนะแต่หลักการธรรมดาก็คือมันมีสองสา ย, ยสายหนึ่งเป็นสายบวกสายหนึ่งเป็นสายลบนิกระดิบโผล่เกิดโพซิทีฟโผล่เระบบกข้อบวกข้อลบแต่มันไปแตะกันเข้าเนี่ยมันเกิดอะไรเกิดการช็อดหรือการดับแต่พอมันอยู่คนละขั้วเท่าๆกันโดย ฟลีควเวนซหรือความถี่เท่ากันมันเกิดแสงสว่างแต่ความถี่ต่างกันมันเกิดไม่สว่างหรือมันเกิดดับมันเกิดช็อตอย่างนี้เป็นต้นดนะังนั้นจิตของเราโคบวกโคอลบถ้ามันเกิดเท่ากันนะมันก็เป็นแสงสว่างให้ทําให้เกิดพอดีเช่นโคอบวกเราบอกว่าเป็นสุขข้อลบเราก็เป็นทุกข์หรือสมมุติข้ทุกข์เป็นข้ลบข้อสุเป็นโคบวกบางครั้งเราก็สมมติเราข้อ สุขเป็นลบลงมาสมมติทุกเป็นบวกก็มีของลูกนี่ไม่แน่นอนสลับกันไปสลับกันมาแต่จิตของเราเนี่ยมันก็ทําหน้าที่แค่สองอย่างแล้วมันก็เป็นกลไกทําให้ร่างกายของเราทําอยู่สองอย่างเป็นคู่นะเป็นคู่เกิดกระดับมันก็หมุนออกมาทางกายออกมาเป็นอะเป็นหายใจเข้าหายใจออกอเป็นสบายไม่สบายอ เป็นรับตามันก็มีการหลับการลืมปากก็มีการอ้าการปิดนะในร่างกายของเรามันก็จะมีลักษณะอยู่สองหมดมีตาสองตามีจมูกสองลูมีหูสองหูมีขาสองขามีแขนสองแขนขยายออกมาเราเป็นการเคลื่อนถ้าเกิดเป็นการหยุดนะเวลาเราเดินนี่ยมันมีแค่2อหมดเราจะเดินเป็นหมื่นหแสนแสกิโลก็ตามมันก็มีแค่อะไร เคลื่อนกืบหยุดถ้าเราไม่เคลื่อนเราจะหยุดได้ไหมถ้าเราไม่หยุดเราจะเคลื่อนต่อไปได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยอำนาจการหมุนเวียนของคู่ตลอเวลาทําไมเราต้องต้องทำความเข้าใจเรื่องนี้เพราะว่าเราจะเข้าใจถึงผลของมันไอ้การที่เราเปลี่ยนไปพลิกไปพลิกมาในท่าต่างเนี่ยเพราะต้องการปรับความหนักความเบาให้มันเท่ากันแล้วก็จะรู้สึกสบายถ้าเราไม่เปลี่ยนถ้ารู้สึกไม่สบายไม่เปลี่ยน ไอ้ความหนักมันก็เกินไปการเกิดก็มากกว่าการดับความไม่สบายก็ปรากฏใช่ไหมแต่ว่านั่งเท่าไหร่ก็เปลี่ยนเท่านั้นความสบายก็ปรากฏความเกิดการเกิดการดับความหนักความเบกาก็สมดุลกันมันก็สบายก็เป็นแสงสว่างสมมติความสบายเป็นแสงสว่างความไม่สบายนี่เป็นความมืดเป็นการชอ็อตนะ ดังนั้นการที่มาเรียนหรือการมาศึกษาปฏิบัติเรื่องรูปนามจากความจําให้เป็นความจริงมันก็จะต้องมีเกิดความพยายามละเพราะอะไรเพราะมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาใช่ไหมกันทีนี้เราจะทําไงให้หาตัวกลางเพราะเคลื่อนไหวขัน้นนี้มหาขัาน้นนี้ถ้าหาตรงกลางตรงกลางมันอยู่ไหนอ่ะถ้าสมมติ เราประมาณด้วยสายตาเนี่ยมันจะเป๊ะพอดีไหมตรงกลางนะร้อยทั้งร้อยไม่ถูกหรอกมันจะทำไงก็ต้องมีการวัดเกิดขึ้นใช่ไหมอเอาสายมาดึงตงัวนี้ถึงจนนี้แล้วก็พับกลางมันตกกลางตัวไหนก็คือคือตรงนั้นก็ตรงกลางตร ง, ตรงกลางทีนี้จะทําให้จิตมาอยู่ตรงกลางเนี่ยแต่ด้วยความเคยชินเดิมพื้จิตมันวิ่งอยู่สองจุดเนี่ยใช่ไหมวิ่งอยนะพอใจไม่พอใจอชอบไม่ชอบสบายไม่สบาย หยุดดับหยุดเคลื่อนก็วนอยู่อย่างเนี้ยตามหลักของธาตุนะทีนี้เมื่อจิตของเรามันชินอยู่อย่างนั้น อ, ะอ่ะมันก็รู้สึกไม่สบายมากบางครั้งสบายมากเกินไปบางครั้งไม่สบายคุณอร่อยเท่าไหร่คุณก็ต้องไปเจอความพิษของความอร่อยมากนะั้นคุณสุขมากเท่าไหร่คุณก็ไปเจอพิษของทุกมากนะั้นไม่ไปกดทั้งธรรมชาติแต่เราไม่รู้จักโกดธรรมชาติเวลาเราสุขเราก็หลงติด อยากจะได้มากมพ่อปู่ที่ให้มันอยู่นานๆใช่ไหมแต่โกฎของมันไม่ใช่อางนั้นกฎของมันต้องเปลี่ยนมาอีกข้างหนึ่งคือความทุกข์มันต้องตีกลับมาเพราะไม่กฎของมันมันเกิดแล้วมันก็ต้องดับอย่าดับช้าดับไวเนี่ยถ้าหากว่าเกิดกระดับไม่เท่ากันผลของมันเป็นวิบากเราสุขกับทุกข์ให้เท่าๆกันถ้าเราสุขมากกว่าทุกข์เราก็ต้องมารับวิบากเป็นทางนี้อีกเท่าๆกันด้วยกฎของอันเนี้ยเราต้องมาศึกษาวิปัสสนา สิ่งแรกที่สุดถ้าหากว่าเอามาให้คนตาบอดเอาเชือก ม, มาวัดระหว่างกลางระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้ถ้าเขาไม่มีทักษะมาก่อนเขาจะรู้ไหมว่าตรงกลางมันอยู่ที่ไหนรู้ยากเหมือนกันนะหรือตามไม่ดีเนะี่ยแต่สำหรับคนตาดีมองเห็นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะเห็นความพอดีระหว่างสองขั้วนี้เราต้องมีอะไรก่อนมีอะไรหนึ่งมีดวงตาที่ดีสองมีแสงสว่างที่พอ ถ้าสมมติว่าคุณมีตาดีแล้วแต่ว่าตรงนี้มืดตึ๊บเลยหาหาเจอไหมเจอยากหรือบางที่แสงสว่างจ้าเลยแต่ว่าตาคุณไม่ดีสายตาสั้นสายตายาวหรือสายตาบอดก็ตามนะก็จะไม่ได้เพราะนั้นระหว่างสายตากับแสงสว่างจึงสัมพันธ์กันชั้นใดนั้นความรู้สึกตัวถ้าเปรียบเหมือนความรู้สึกตัวกับความรู้ สึกกายกับความรู้สึกใจตัวไหนเป็นแสงสว่างตัวไหนเป็นดวงตาความรู้สึกกายกับความรู้สึกใจตัวไหนเป็นแสงสว่างตัวไหนเป็นดวงตาความรู้สึกกายเป็นความรู้กายกับรู้ใจอันไหนเป็นแสงสว่างไหนเป็นดวงตาใช่ไหมมันก็จะมีสองอย่างนี้เพราะนั้นเราก็มากระตุ้นให้เกิดความรู้สึกทางกายให้ชัดไว้ก่อน เพื่อเป็นตัวที่จะเพื่อที่ให้เกิดแสงสว่างทางใจนะเพราะฉะนั้นแสงสว่างทางใจออกมาเป็นความรู้ความเข้าใจความสว่างสวยัยความแจม่มแจ้งเราไม่ใช้ภาษาโอ้รู้อย่างแจม่มแจ้งเลยนะอยู่อย่างทะลุปลุก ป, ปลงเลยนะอยู่อย่างสว่างในใจเลยนะั่นคือเข้าใจในความเป็จริงแล้วเห็นภาวะนั้นตามความจริงเมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นเนี่ยพอไปเห็นอ้มอมบอกนั่นก็เรียกว่าลักษณะของตาใจ นั่นเวลาพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วแสดงธรรมครั้งแรกท่านใจกว่าจักของอุทัปปะทิคือตาให้เห็นทางกายซะก่อนให้มีจักษุทางกายให้ชัดอย่างง่วงเนี้ยเนี่ยเป็นปัญหาไหมความง่วงเป็นปัญหาหรือความทุกข์ไหมความง่วงนี่เป็นลักษณะเป็นความทุขความทุกข์หรือความสุขอบงางคนรู้ความสุขนะเพราะอะไรถ้าได้ง่วงเรู้สึกมันมีแรงนะมันมีแรงมีเลี้ยวมีแรงอยากจะง่วงบ่อยๆแต่ถ้าว่าไม่ได้ง่วงรู้สึก ในลักษณะของรูปเนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะบางครั้งทุกข์กลายเป็นสุขมันสุขกลายเป็นทุกข์มันเอาแน่นอนมาได้เพราะมันเป็นรูปมันมันมันตลอดเวลามันมีความทีในการเกิดดับที่ที่เร็วแรงบางทีแล้วก็ดูไม่ออกว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ไอสิ่งที่ว่าทุกข์มันแปลว่าความสุขก็มีไอสิ่งที่ว่าสุขมันแปลว่าความทุกข์ก็มีอย่างกินอาหารเผ็ดๆเนี่ยเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ถ้าเราเรากินเผ็ดเก็ชอบเผ็ดอะ มันก็เป็นสุขอะเห็นไหมถ้กินอาหารละลอยเผ็ดหน่อยๆเป็นสุกงี้เห็นไหมเนี่ยอายตนะความรู้สึกเหล่านี้มันจึงหลอกเราในแง่ของร่างกายเนี่ยเวทนาเวทนามันหลอกเราได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทําความเข้าใจกันบ่อยๆในวิธีการของพ่อเทียนที่มันช่วยเราได้เยอะก็เพราะว่าเราเพิ่มแสงสว่าง จากแสงสว่างคือความรู้สึกกายที่ได้จากลมหายใจเนี่ยมันลิบหลี่มันไม่พอมันไม่พอแต่รายละเอียดในจิตของเราที่มันคิดออกมาเนี่ยมีรายละเอียดเยอะมากแต่เรามาเจอความรู้สึกตัวจากลมหายใจมันก็ทํามาก่อนนะหลายปีนะทำลมหายใจแต่ไม่สามารถจะเห็นได้ไว้ความง่วงมันเกิดอย่างไรไม่สามารถจะพยายามดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นที่เกิดของความง่วงดูเข้าไปอีกว่าความคิดมันเกิดอย่างไรก็ไม่สามารถจะเห็นได้ พอมาใช้วิธีการนวดเทียนมันได้เพิ่มความรู้สึกเพิ่มกําลังจากสิบแ่งเทียนเป็นยี่สิบหรือลมหายใจมันให้ยี่สิบแรงเทียนพอมาทําวิธีการเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไปห้าสิบแรงเทียนเป็นร้อยแ่งเทียนมันก็สว่างขึ้นเยอะเลยใช่ไหมพอสว่างขึ้นมันก็สามารถที่จะเห็นรอยต่อระหว่างความง่วงกับไม่ง่วงอยู่ตรงไหนความคิดกับความไม่คิดอยู่ตรงไหนอเอาง่ายๆกันนะความง่วงกับไม่ง่วงนะหาความพอดีมันเจอไหมโยม ไม่ชื่อใช่ไหมแต่รู้เหตุมันไหม ม, มาจากอะไรเนี่ยถ้าหากว่าแสงสว่างคือความรู้สึกตัวเลยไม่สว่างพอเราจะไม่เห็นเลยมีวิธีใดเราจะเห็นมันได้ค่อยปรับไปดูไปปรับไปดูไปในที่สุ่เราจะเห็นถ้านั่งแช่อย่โดยไม่ปรับไปไงมันก็จะกินเส้นไปทางนี้ละกินเส้นไปทางงงเรวก็ถอนกลับมาแต่พอเราปรับเออมันความง่วงมันจู่ๆเกิดแลวรวันมันเกิดทีละนิด เกิดทีลนิดไอ้ตองที่มันเกิดทีลนิดเราเห็นมันหมเห็นเอาเห็นแล้วก็จะไม่ง่วงสิไอ้ที่ง่วงแสดงว่าเราไม่เห็นใช่ไหมอ่นั่นน่ะเราไม่เห็นนะ่ะเพราะอะไรแสงสว่างไม่พอไงอันนี้ต้องพูดถึงเรื่องรู ป, ปรธรรมก่อนนะถ้าเราไม่เข้าใจรูปรธรรมในสิ่งง่ายๆอย่างนะี้นะในเรื่องของจิตคุณไม่มีรู้ไม่มีทางรู้เลยอันนี้คือวิธีการของพระเทียนท่านจะต้องให้รู้ชัดไปตามลาดับไม่รู้ข้ามไปข้ามมาแต่เราไม่ค่อยเชื่อท่านหรอกเพราะอะไร พ่อไม่ถูกกิเลของเราเราจะรู้อะไรเยอะๆเร็วๆลึก ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆ, ๆชัดๆชัๆชๆช้นๆต่อรองด้วยนะเจวันคุจะชัดเจนขอสามวันได้ไหมหลวงพ่ออยากจะได้อะไรเร็วปัจจุบันเราใช้คาว่าช็อตคัดใช่ไหม อ, อยากจะตรงอยากจะไวเนี่ยมันธรรมชาติมันมันไม่ให้เราก็ต้องมาพยายามท่านน่าจะเห็นว่าเราจะต้องมาเพิ่มแสงสว่างมาโชคดีว่าได้พบหลวงพ่อเทียน ดเพราะเราสามารถเพิ่มแสงสว่างได้จากลมหายใจเข้าและออกเนะี่ยคุณจะลึกขนาดไหนคุณจะชาขนาดไหนก็ตามมันก็มีแค่นี้นะควรู้สึกนะใช่หัหยมันึ่งในในร้อ่สองในร้อยเเอาเข้ากับออกแค่นั้นนะแต่พอมาสร้าง่ังว่เออหยุดรู้พลิกรู้ หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อนรู้หยุดรู้เคลื่อ น, น, น, นหยุดเคลื่อนหยุดเนี่ยได้ได้ประมาณเท่าไหร่รู้ไหมเอาสำหรับคุณใหม่ลองทดสอบให้ดูหน่อยว่าระหว่างสร้างจังหวะชุดหนึ่งเนี่ยมันมีกี่หยุดกี่เคลื่อนถ้าคุณกับคุณใหม่ทดสอบดู ไม่ต้องใช้บัญญตัติยางนะในเมื่อหยุดสิบสี่เคลื่อนมันก็ต้องเป็นสิบสี่นี่ผิดถนัดเลยนะลองลองดูไม่เชื่อนะบอบางคนอกอ๋อสิบสี่เอาคุณเคลื่อนสิบสี่หยุดเปเท่าไหร่ก็ทั้งสิบี่เหมือนกันจริงอ่ะเอาคุณต้องวิสูจน์อ๋อไม่ใช่แล้วใช่ไหมทั้งหมดคนจะเป็นเท่าไหร่สรุปได้ยังอยู่เท่าไหร่เคลื่อนเท่าไหร่ชักลังเลละ คุณหนุ่มคุณสร้างจะว่วะได้หยุดเท่าไหร่ได้เคลื่อนเท่าไหร่คุณหายไปนานเลยวิธีแห่งสายลมเนี <laughs> ่ยฮะหยุดสิบห้าเคลื่อนเท่าไหร่สิบสี่เป็นยิบเกา้าไม่ใช่ยี่ิบแปดแล้วใช่ไหมอ่ะคุณต้องพิสูจน์ให้เห็นว่าหยุดสิบห้าหยุดอย่างไรเคลื่อนสิบสี่เคลื่อนอย่างไรไม่ใช่สรุปเอาาำคิดว่านะอ้าวทุกคนลองทาดูคุณหนุ่ม ต้องทำปุสิหยิบก้าทำไงนึ่งอันไหนหนึ่งหนึ่งวมใช่ไหมหยุดสองเคลื่อนสหยุดสเคลื่อนหหยุดหเคลื่อนเจหยุด8เคลื่อน9หยุดส0เคลื่นอน11หยุด สิองเคลือนสิบสาหยุดสิบสี่เคลือนสิบห้ายุดสิหเคลื่อนสิเจ็ดยุดสิปดเคลื่อนสิบเกยุดยี่สิบเคลื่อนยี่เอ็ดยุดยีิบสองเคลื่อนยี่สายุดยีิบสี่เคลื่อนยี่ห้ายุดยีหกเคลือนยีจ็ดุดยีิบปดเคลื่อนยี่บเก้ายุด ใช่มก็ยี่สิบเก้าเพราะฉะนั้นมันมีความถี่ถึงยีิบเก้าขณะในขณะเดียวกันลมหายใจมีความถี่แค่สองขณะใช่ไหมโอ้เพราะนั้นไอ้ไฮฟรีเควนซในไฟเนีย่ยยิ่งยิ่งความถี่สูงเท่าไหร่มันยิ่งสว่างเท่านั้นใช่ไหมเพราะนั้นเวลาเราไปซื้อหลอดเอากี่แรงเทียนเอาห้าแรงเทียนสิบแรงเทียนร้อยแรงเทียนบางแห่งต้องพันแรงเทียนอย่างเนี้ยเป็นห้าร้อยแรงเทียนมันซื้อสว่างหลอดเดียวก็สว่างแล้ว แต่ถ้าหางเทียนต่ำสิบหลอดมันยังไม่วสว่างเท่านี้เลยนะเช่นเดียวกันตัวการรู้หยุดการหยุดกับเคลื่อนตัวไหนคนจะเป็นเกิดตัวไหนคนเป็นดับฮะเคลื่อนเป็นเกิดหรือ<ะ> เ, เ, เป็นดับเกิดหยุดเป็นดับอันนี้ในแง่ของรูปนะมันอาจจะค่อยกันก็ได้น่าอาจจะค่อยกันบางทีหยุดเนี่ยเป็นเกิด เคลื่อนเป็นดับเวลาคุณสลบคุณนิ่งเลยใช่ไหมเวลาคุณฟื้นไปไงขณะสลบนด้เป็นเกิดได้เป็นดับขณะสลบนี้เป็นเกิดได้เป็นดั บ, <c oughs> บ, ด, บดับนะแล้วขณะฟื้นขึ้นมาเป็นเกิดหรือเป็นดับระหว่างฟื้นขึ้นมากับสลบอันไหนเป็นทุกข์อันไหนมันไม่ทุกข์ <c oughs> ขณะสลบ <c oughs> ขณะสรบปอยู่กับฟื้นขึ้นมาอันไหนทุกอันไหนไม่ทุกฟื้นขึ้นมาเป็นทุกหรือเป็นสุขคนทั่วไปเห็นเราสรุปล้วเขาเป็นไงตกใจใช่มทุกไหมทุกเมื่เห็นเราฟื้นขึ้นมาเขาดีใจไห ม, ไมนั่นนะดีใจเป็นดีใจกับเสียใจทัจ้งนี้มันค่อยกันอยู่นะเราจะบอกว่าอถ้าหากว่าัสอดของอันไหนเราจะชิดได้อันไหนก็ตามที่นำไปสู่ความสบายสิ่งนั้นเป็น สุขอันนั้นเป็นเกิดหรือเป็นดับอ้าวอ้าัาาาากยุงละหายใจเข้าเป็นเกิดหรือเป็นดับเพรตั้งทุนไหมหายใจเข้าเป็นเกิดหรือเป็นดับเป็นเกิดสบายหรือไม่สบายไม่สบายหายใจออกเป็นดับเพราะมันสบายใช่ไห ม, ไมอ่ะดับคือสบายพุทธเจ้าถึงประกาศดับก็คืออะไรนิพพานใช่ไหมนิพพานแปลวา่าดับนะแต่ท่านจึงไม่เอากับสังสารวัตเพราะสังสารวัตนําไปสู่การ เกิดนั้นเวลาสลุปไปไปเกิดหรือเป็นดับสบายไหมเห <laughs> มันไม่รู้เรื่องน ะ, อะพอฟืน้นขึ้นมาตรงเนี้คือความสับสนของวัตถุมันคล้อยกันไปคนมาทําให้เราหาความพอดีมันยากไงนะ่ะนั้นน่ะเราจึงมาหาความพอดีทางด้านจิตเพราะร่างกายนี้มันหาความพอดียากที่สุดหลวงพ่อเทียนท่าเปรียบเสมือนว่า เมฆสองก้อนคือเมฆสีดํากับเมฆสีขาวแต่เมื่อมันมาผสมกันแล้วเนี่ยคุณหาตัวตัวกลางมันได้ไหมว่าระหว่างดํากับขาวที่มันตัดกันในเมฆสีเทาๆเนี่ยมันตัดกันตรงไหนเนี่ยหายากที่สุดนะแต่ถ้าหาก็เห็นชเช่นก้อนดําก้อนขาวอยู่ใกล้กันยังไม่ผสมกันนะเคยเห็นไหมเวลานั่งเครื่องนะเห็นแล้วเมฆขาวลงมาข้างล่างไหนก็เมฆดํามันตัดกันโคเรชันเมฆดมําเขาจะอยู่ดาหรืออยู่สูง เมฆดำก็อยู่ต่ำหรืออยู่สูงอยู่ตา่าเมฆสูงขึ้นไปมักจะเป็นขาวใช่ไหมเพราะฉะนั้นความรู้สึกสบายเนะี่ยทำให้จิตเราสูงขึ้นมันเมฆสีขาวความรู้สึกไม่สบายเนี่ยเหมือนกับเมฆสีดําทําให้รู้สึกเราต่ําลงนะเพราะฉะนั้นความรู้สึกอะไรสบายเป็นการดับเป็นภาวะที่ลอยตัวที่สูงขึ้นภาวะที่เกิดคือภาวะที่มันหนักนะคือไม่สบายเพราะฉะนั้นตัดสินว่าอันไหน เป็นเกิดหรือดับอยู่ที่ความรู้สึกสบายไหมบางทีดับไม่สบายก็มีใช่ไหมเช่นเราป่วยเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะแล้วเวลาเรามีกําลังดีทําอะไรได้สบายเนี่ยมันก็สลับกันแต่อันไหนก็ตามรู้สึกสบายปกตินั้นเป็นดับอันไหนรู้สึกไม่สบายไม่ปกติอันนั้นเป็นเกิดมันจะหยุดมันจะเคลื่อนก็ตามมันจะไปมันจะมามันจะเข้าจะออกก็ตามให้ตัดสินที่ความรู้สึกสบายเบานะอันนี้อันหนึ่งดังนั้น ที่เน้นเรื่องนี้เพราะมันอยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดถ้าเรามองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราเองเนี่ยสิ่งที่ลึกลงไปก็ยากที่จะรู้นะหั่นนั้นเองด้วยการเพิ่มความรู้สึกและความถี่ที่สูงเหล่านี้เองเราไม่ใช่ว่าทําได้แต่ยกมือเราไปรู้ภาพตาาปากหายใจเร็วซ้ายไหลขวาในขณะที่เคลื่อนไปเนี่ยมันไม่รู้มีกี่หยุด เส้นหนึ่งเส้นเกิดจากอะไรนะที่ซีีเลขาบทที่3 <Rolling. S 1> เรียนมาหลายสิบปีแล้วเส้นหนึ่งเส้นเกิดจากจุดหลายๆจุดมาเรียงกันใช่ไหมอันนี้เหมือนมันเป็นเส้นแต่ไอ้การที่ก็คือมันเจ๊จ๊๊ไปงี้เองนะลักษณะเป็นเส้นเขาเรียกเป็นเมนูลักษณะที่เป็นจุดเป็นอะไรเป็นดิจิทัลใช่ไหมไอ้จุดๆจุดๆจุดเพราะนั้นแค่จุดๆจุดเนี่ยมันก็สามารถเปลีป่ยนไปได้ทุกอย่างเลย หลวงข้อคำเขียนท่านเดียวกันว่าเหมือนโซ่โซ่ก็เหมือนเอาเล็กเส้นมาต่อกันเลยไหมมันกลายเป็นโซ่มันก็ได้ประโยชน์คนละอย่างเช่นเดียวกันให้เราดูในลักษณะเป็นขณะขณะขณะขณะเพราะมันเกิดที่ไหแต่ในขณะนี้ถ้าเราทําปั๊บจะมันจะจับน้ำเลยนะรู้สึกทีละขณะอย่างนี้มันกลายเป็นหุ่นยนต์มาเลยนั่นน่ะไม่เป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ให้รู้ว่ามันเกิดจากทีละขณะนะที่มันเป็นอย่างนี้ ให้รู้ต้องรู้ให้ชัดถ้ารู้ไม่ชัดมันกลายเป็นเหล็กเส้นถ้ารู้ให้รู้ไม่ชัดมันกลายเป็นเหล็กเส้นถ้ารู้ชัดๆกลายเป็นเห ล, ล็กโซ่เหล็กโซ่มัายึดหยุ่นได้นะเป็นดิจิทัลสมัยพัฒนาเขาพัฒ น, น, นาเป็นระบบนี้เลยจากเมนูมาเป็นดิจิทนะัลก็อันหลักการอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเรายืนเดินนั่งนอนนะให้รู้ว่ามันเกิดทีละขณะขณะทีละข้อนนะแต่ทำไมให้มันสมูทเป็นอันเดียวกัน เพื่อให้ไปเป็นธรรมชาติธรรมชาติที่มันไหลลื่นแต่ให้รู้ว่าไอ้ธรรมชาตินี้ให้รู้ว่ามันไม่ใช่เป็นอันเดียวกันนะมันเป็นอนัตตามันเป็นทีละข้อแต่เราเห็นว่าเป็นอันเดียวกันเนี่ยเกิดอัตตาใช่ไหมสําคัญผิดว่าเป็นตัวตนอ่ะตัวตนเกิดขึ้นมาแล้วแต่เราเห็นว่าที่เราเคลื่อนนี่นะมันทีลักษณะที่ได้จุดนะมันไม่มีตัวตนที่แท้จริงนะใช่ไหม มันก็เกิดเป็นอนัตตาทีละทีละชิ้นชิ้นไม่เป็นอันเดียวกันแต่มันเกิดเป็นเส้นเนี่ยเป็นอัตตาเป็นอันเดียวกันเราจึงสำคัญผิดว่าเรามีตัวเราเพราะไปสําคัญว่าสุขทุกข์ที่มันเกิดเป็นทีละขณะเราเห็นว่ามันเป็นเส้นไปสําคัญว่าสุขเป็นของเราทุกข์เป็นของเราแล้วก็ไปสําคัญมั่นหมายมันใช่ไหมไปแล้สุขขึ้นมารู้สึกพอไปสําคัญมั่นหมายว่าสุขเป็นของเร า, settling, าเกิดความพอใจหรือไม่พอใจเก wishes, ิดความพอใจ เวลามันทุกขึ้นมาสําคัญว่าทุกข์เป็นของเราเกิด ค, ความพอใจหรือไม่พอใจไม่พอใจนั่นคืออัตตามันเกิดเพราะเราสําคัญผิดว่ามันเป็นรุนเป็นแท่งเป็นอันเดียวกันแต่ความจริงไม่ใช่มันเป็นท่อนเป็นจุดที่นิดๆถ้าเราเข้าใจอย่างนี้อ๋อเราก็จะดูตัวเองเป็นขณะทีละขณะทีละขณะไปไม่จะดูสรุปกันเลยว่าเอออันนั้นเขาเรียกสำคัญก่อให้เกิดอัตตากิเลส เ, เบื้องต้นตัวต้ น, ตนที่จุดอัตตาเดวนี้ มีชื่ออีกอย่างหนึ่งซึ่งเป็นภาษาบรลีพวกเราไม่คุ้นจักว่าสกายาทิธิคดีในคำนี้ไหมอ่ามันเป็นสกายาทิธิสําคัญว่าสิ่งที่เรามีอยู่เป็นตัวเราเป็นตัวเราเป็นอะไรต่อเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นเขาเป็นเราเป็นทหารตับวดเป็นพระเป็นเนรเป็นเถนเป็นชีเป็นสมมติเป็นนับไม่ได้ u n countable เลยใช่ไหมแต่พอเรามาหยุดที่ละขณะขณะตัวเราคือใคร ตัวเราคือใครอ่ามันก็จับกลับมาใหม่แล้วคือธาตุทั้ง4ี่ใช่ไหมธาตุสี่จุดดินน้ำลมไฟสจุดทั้ง4ี่จุดมาบวกกันมาเป็นอ่ขาขบวนการไหลลื่นละอ่าแล้วตัวธาตุสี่ทำงานไหลลื่นก็พอดีก็ให้เกิดธาตุอีกสองตัวคืออากาศธาตุกับวิญญาณธาตุแล้ววิญญาณธาตุดีเองมันก็มาสร้างขัน คือขันมาจากตัววิญญาณโดยเดียวมาสร้างขันได้กี่ขันได้หขันเพราะฉะนั้นรูปประขันกับรูปประธาต์เกิดขึ้นแล้วรูปประขันรูปประธาต์สร้างรูปประขันรูปประธาต์คือดินน้ําลมไฟใช่ไหมพอมันเกิดวิญญาณเป็นธาตุที่6ตัวสุดท้ายคือตัววิญญาณเดินมาสร้างขันคือเราจินตนาการยังไงรูปที่เกิดในใจเรียกว่ารูปประขันรูปที่ร่างกายนี่กิรูปประธาต์ ทันไหมตัวที่เราไม่ทันรู้เท่าทันรูปประคันมันก่อให้เกิดรูปประทัดก็ให้เกิดรูปประคันก็ให้เกิดจินตนาการในใจก็เกิดเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนั่คือรูปประคันเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าแต่ในตำราบอกรูปประคันไว้แบ่งเป็นสองคือรูปประทัดพุทธลูกกับมหาพุทธลูกอะไนี้เป็นเรื่องของอภิธรรมนะแล้ไม่เกี่ยวนะแต่เอาภาคปฏิบัติเรามารูปประคันเรียกว่ารูปนามถ้ารูรูปทัดสับสนกัน ที่เป็นรูปประขันมีเวทนาเรียว่ารูปนามแต่รูปรูปประธาต์ที่มีเวทนาคือความรู้สึกมันเป็นรูปนามแต่รูปประขันที่มันมีเวทนาด้วยเขาเรียกว่านามรูปแต่ว่าถ้าสี่ขันห้าคือรูปนามกับนามรูปไงรูปทํานามทําทันไหมก็ค่อยว่ากันไปเรื่อยๆกันนี่ทีละนิดอย่างเงี้ยแต่เราวันแต่อย่าคนมหอย่าพึ่งสับสนนะแต่อันนี้เราก็ลองพูดที่ด้านเทคนิคนิดหน่อย แต่ให้รู้ว่าไอ้ตรงเนี้ยเราจะต้องรู้มันให้ชัดๆถ้าไม่รู้ชัดนะเราก็จะเห็นว่าเราเป็นเราอย่างเงี้ยเรื่อยไปใช่ไหมเมื่อเห็นเราเป็นเราเราก็ต้องเป็นอะไรเป็นทุกข์เรื่อยไปเหมือนกันแต่วันหนึ่งเราไม่ได้เห็นว่าเราเป็นเราเราเห็นเป็นเพียงขณะแห่งความรู้สึกมาต่อกันหลายๆขณะเท่านั้นเองอย่ารู้สึกตัวนะพอรู้สึกทีละนิดทีนิดทีนิดไปเรื่อยๆความรู้สึกก็ต่อคนไปต่อกันไปต่อกันไปถ้าเหล็กเส้นเนี่ยมันยาแค่นี้ก็คือยากแค่นี้ถ้าเหล็กโซ่เนี่ย มันสามารถยาวไปได้เรื่อยต่อไปได้เรื่อยนะเป็นห่วงหวงห่งโซ่กันไปเรียกว่าปัจจัยาการหรือปฏิจสุบัทิเขาใช้คําว่าเป็นห่วงโซ่ปฏิสุบัติต่อกันไปแต่ละขณ ะ, ะเพราะตัวไม่รู้ก็ให้เกิดก็ใหคิดเพราะตัวคิดไปเกิดตัวรับรู้เพราะตัวรู้ก็เป็นจุดจุดจุดนั้นวงจรทางปฏิสุบัติก็เป็นสิบเอ็ดบสอจุดเนี่ยมาต่อเข้าเป็นห่วงโซ่นะแต่ถ้ามันมีเพียงจุดเดียวปั๊บมันก็มีอวิชาตัวเดียวมันก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะ ดังนั้นในการศึกษาเรื่องนี้เราจะโฟกัสและพยายามตีจุดนี้ให้ชัดเจนในใจของเราถ้าเราอยู่ที่บ้านหรืออยู่ที่นี่ก็ตามแต่เรายังไม่ได้เก็บมือถือนี่นะมันก็เหมือนไม่ได้ปฏิบัตินะเพราะเดี๋ยวก็ไปเช็คลายเดี๋ยวไปเช็คเฟซเดี๋ยวไปเช็ค youtube แล้วเขไปเช็คเว็บอะไรเนี่ยมนันวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นอามาก็เลยว่า แรกลงทะเบียนเขอเก็บ ม, มือถือกันก็แล้วกันเพราะโลกเท่งโลกมันมาอยู่ที่นั่นวันหนึ่งเราก็ไปหมกมุ่นอยู่กับโลกสี่เหลี่ยมมันนั้นใช่ไหมแต่โลกกลมๆนี่เราจะไม่เห็นเลยคนก็เลยการรับรู้เลยตกต่ำลงไปเพราะมันรู้ไม่หมดนะมันไม่ครบอะ่ะนะมันอยู่แค่สี่มุมแต่ที่โลกจริงๆมันมีตั้งร้อยมุมพันมุมเราอยู่แค่สี่มุมมันไม่ไม่ไม่ทันดังนั้นเองก็สิ่งที่เราจะต้อง รู้โดยทั่วไปเนี่ยมันทําให้เรามันเบือมันเยอะเกินไปนะแล้วแต่จะอินเรื่องไหนบางคนไปอินเรื่องธุรกิจคี้แต่เรื่องธุรกิจขาดทุนกําไรบางคนไปอินเรื่องกีฬาคี้แต่เรื่องกีฬาแพ้ชนะบางคนไปอินในเรื่องของศาสนาขี้แต่เรื่องธรรมะปรุงแต่งเรื่องธรรมะบางคนไปอินในเรื่องของเรื่องนอกโลกรอบจากวานยูเอฟโอนาซ่าอก็อินไปเรื่องนั้น มึงคนไปอินเรื่ององค์เรื่องทรงเรื่องเจ้าก็ไปคิดมันมีเรื่องเยอะเกินไปที่เราจะไปแต่ว่าพอมาศึกษาเรื่องนี้ขอให้มันเป็นจุดใดจุดหนึ่งให้แตกเป็นจุดๆพอเราเข้าใจเรื่องชีวิตเรื่องเดียวทุกเรื่องเราจะเข้าใจหมดเลยแต่เข้าใจชีวิตเรื่องเกิดเรื่องยังไม่ได้เนี่ยทุกเรื่องนั่นแหละมันจะเป็นขุมนรกฝังตัวเราฝังกายฝังใจเราเพราะฉะนั้นเองในช่วงห้าหวันเนี่ย ขอให้ทําความเข้าใจเรื่องนี้อะมาก็ถ้าไม่จําเป็นามาก็จะไม่เอาเรื่องอื่นมาแทรกมยแฝงให้มันวุ่นวายนะเอาเรื่องมาเจาะเรื่องเนี้มันแตกพวะเราก็ตั้งใจทําเรื่องเนี้ถ้าสมมุติว่าขอนไม้ขอนหนึ่งนะถ้าเราจุดไฟจ่ออยู่นี่ตลอดเวลาเนี่ยมันต้องขาดนะอยู่ไม่ได้นั่นเราใส่ใจเรื่องความรู้สึกตัวความคิดที่มันเกิดขึ้นในใจเราเนี่ยมันเหมือนขอนไม้ที่เกิดด้วยอวิชชานี่นะอวิชชาเหมือนขอนไม้ที่เราไม่รู้ตัว เราก็จะหายละเอียดไม่ได้แต่พอเรามารู้สึกเนื้อรู้สึกตัวเราก็เหมือนว่าถอนไว้กับวิชาวิชาคือไฟที่มันจุดจ่อเผาอยู่ที่เดียวเนี่ยมันจะเป็นไฟแก๊สไฟอะไรก็ตามจ่อยที่วันหนึ่งมันขาดนะอวิชามันขาดมันขาดสะบ้านเลยนะมันก็วิชามันก็เกิดแทนตัวไม่รู้ตัวเนี่ยมันถูกเผาด้วยความรู้สึกตัวถ้าความรู้สึกตัวคอยจี้คอยจ่อคอยเผาอยู่ตลอดเวลาความไม่รู้สึกตัวเนี่ย มันก็ถูกตัดเป็นท่อนๆแล้วมันเชื่อมกันไม่ติดแล้วจากเหล็กเส้นก็เป็นเหล็กโซ่ละนะจากความไม่รู้สึกตัวคืออวิชชาเนี่ยมันก่อให้เกิดความเพลินความลืมความหลงความเบลอความต่างๆแม้มันจะมีอยู่ก็ตามแต่เราอย่าท้ะรู้สึกตัวไปเรื่อยๆความไม่รู้สึกตัวมันก็แฝงมาความรู้สึกตัวกับความไม่รู้สึกตัวมันก็เป็นกฎของอะไรเกิดกระดับนั่นเองความรู้สึกตัวเป็นเกิดแลือเป็นดับ ความไม่รู้สึกตัวเป็นเกิดแล้วเป็นดับอ้ามันเกิดความไม่รู้สึกตัวก่อให้เกิดสังสารวัตรความรู้สึกตัวก่อให้เกิดสิ้นสุดสารวัตสังเพราะจิตใจมันไม่ต่อไปละดังนั้นเรื่องง่ายๆอย่างเนี้ยนะทําความเข้าใจก็เรื่องง่ายแต่ในภาคปฏิบัติที่เราไปนั่งทําทั้งวันยกมือนี่เพื่ออะไรเพื่อจะเห็นความเชื่อมต่อระหว่างกายกับใจทําไปสักพักความคิดมันเข้ามันเชื่อมต่อตรงไหน ทำไปซักพักความเบื่อมันเข้าเอ็มมันเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ความไปซักพักมันความปวดมื่ยเกิดเออความปวดมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่ปรับมาอยู่อย่างนี้แหละร้อยครั้งพลนึหมื่นครั้งแสนหนในทุกสุดจิตของเรามันเริค่อยแหลมคมขึ้นแหลมคมขึ้นมีดที่ยิ่งใช้ยิงยิงรับยิ่งใช้ยิงใช้ยิงรับก็ยิ่งคมสติสมรยะที่เราได้ยิ่งใช้มันก็ยิ่งสว่างยิ่งใช้ันก็ยิงคม มันก็จะไปเห็นจุดเล็กๆๆๆสิ่งที่เกิดในธาตุในขันของเราเนี่ยมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นในเช้าวันนี้เราก็จะทําความเข้าใจกันประมาณนี้ก่อนเข้าใจได้ไหมถ้าไม่ได้เวลาไปนั่งปฏิบัติแต่มาก็จะไปดูให้ว่าใครไม่เข้าใจก็คุยกันตรงนั้นแต่สําหรับวันนี้เราจะแบ่งกลุ่มอย่างไรใครปฏิบัติอยู่จุดไหนบ้างหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วนะเราก็มานั่งคุยกันดีกทีหนึ่ง จะอยู่จุดไหนแบ่งกลุ่มอย่างไรช้าปฏิบัติเท่าไร่บ่ายปฏิบัติเท่าไหร่ก็มาตกลงกันตอนนั้นตอนนี้ถือว่าเป็นปฐมนิเทศเชียงชาวนี้นะก็เอาไว้แค่นี้เนาะก็ขออนุญาติสาธุในความตั้งใจที่จะศึกษาเรียนรู้เข้าใจสี่นี้อย่างทะลุปลูกในชีวิตของเรานี่เพื่อเราจะได้ตัดสายโซ่แห่งการเวียนว่ายตเกิดได้ในชีวิตอันใกล้นี้ กันทุกคนทุกท่านเืน